หนังสือเทพธรรมะไม่ซื้อขายหนังสือธรรมะของท่านมีทั้งจากงานเขียนหรือถอดเทพจากการเทศอบรมพระและครวด ทั้งในวัดและนอกสถานที่บางเล่มเป็นการรวบรวมคำตอบปัญหาธรรมจากจดหมายของพระเนนคารวาธทั้งในประเทศและต่างประเทศท่านเริ่มแจกหนังสือธรรมะมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2514-15 จนกระทั่งปัจจุบันนี้ การจัดพิมพ์แต่ละครั้งแต่ละครั้งเป็นจํานวนหลายแสนเล่มและพิมพ์มาตลอดหากต้องมีการประมาณจํานวนเล่มก็น่าจะหลายล้านเล่มแล้วเพราะมีผู้ต้องการจํานวนมากทั้งมาด้วยตนเองที่วัดทั้งที่เขียนจดหมายขอจากที่ต่างๆซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน หนังสือที่มีผู้สนใจมากที่สุดคือหนังสือประวัติท่านอาจารย์มั่นภูริทัตโตและปฏิปทาพระธุดงกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นแต่มาในระยะหลังนี้ผู้สนใจอยากทราบชีวิตของหลวงตามีมากขึ้นทุกวันทุกวันขณะที่ท่านเอง ก็ไม่เคยเล่าชีวประวัติหรือเขียนชีวิตความเป็นมาของท่านเลยจะมีเพียงเรื่องเล่าสั้นๆบางตอนจากท่านบ้างก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นในที่ต่างๆกันเฉพาะอย่างยิ่งช่วงท้ายของการเทศอบรมพระเช่นเล่าถึงความภาคเพียรในการปฏิบัติธรรมของท่าน เพื่อเป็นกำลังใจแก่พระเนนเป็นต้นใจเพื่อหัวใจโลก เป็นจำนวนมากที่ห่วงเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการแจกหนังสือและเทปเกรงว่าอาจทำให้ท่านต้องลำบากท่านให้เหตุผลในเรื่องนี้ดังนี้หนังสือของเรานี้ไม่มีการซื้อการขายมีแต่การให้ฟรี ส่งให้ฟรีด้วยบางคนเขาถามมาเขาคงวิตกถึงเรื่องการส่งของเราเขาถามเฉพาะเรื่องส่งเพรเรื่องส่งคงจะหมดมากนะหลวงพ่อส่งหนังสือนี้โอ้ยอย่ามาถามเราบอกตรงตรงเลยถ้าเราจะมาวิตกวิจาร์กับเรื่องการได้การเสียแล้ว เราทำไม่ได้เราไม่ทำจริงๆเราทำไม่ได้จริงๆเช่นค่าส่งนี้มันก็เป็นแสนแสนล้านๆจะว่าไงค่าส่งหนังสือนี้วันหนึ่งวันหนึ่งส่งมากขนาดไหนบางวันรถปิกอัพเต็มเลยส่งมาตั้งแต่ปีสองพห้าอสิบสี่แล้ว ส่งใกล้ส่งไกลขนาดในเมืองไทยไม่ต้องพูดแหละโนนเมืองนอกยังส่งออกไปทั้งเทปทั้งหนังสือเวลานี้เทปดูจะมากกว่านังสือด้วยซ้ำขอมานี้เป็นเหมือนกับไฟลามทุ่งเลยเชียวต้องให้พระท่านพักเครื่องไม่งั้นพระตายไม่ไหวอัจไม่ทันเครื่องอัดเทปนี้ เราก็หามาให้นะด้วยความสงสารทั้งนั้นแหละผู้รับธรรมะผ่านสือ่อมีหลายท่านที่ได้อ่านหนังสือธรรมะแล้วเขียนจดหมายกลับมาถึงท่านว่า แต่เดิมนั้นคิดสิ้นหวังแล้วในเรื่องมรรคผลนิพพานและพระพุทธศาสนาเข้าใจว่าเป็นของที่มีแต่เพียงในจำรับํำราเท่านั้นปัจจุบันนี้คงจะหมดสิ้นไปแล้วผู้ทรงมรรคทรงผลก็คงหาไม่ได้แล้วบางรายก็เคยคิดขนาดว่า ศาสนานี้หมดหวังแล้วมีแต่ตัวหนังสือมีแต่ชื่อดูพระดูเนนผู้ปฏิบัติมีแต่เรื่องที่ดูไม่ได้เลยเป็นที่สลดสังเวชใจมากต่อเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนั้นเล่มนั้นไปแล้วกลับพลิกขึ้นมาเลยเหมือนกับว่าได้เกิดชาติใหม่ นักปฏิบัติธรรมหลายท่านเช่นกันเมื่อได้อ่านหนังสือหรือฟังเทปแล้วเกิดความทราบซึ้งในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์ใจก็มีอยู่ไม่น้อยจดหมายที่ส่งมาถึงท่านมีเป็นจำนวนมากตลอดเวลา และเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันส่วนใหญ่เป็นการทำบุญปกติธรรมดาแต่บางรายก็มีปัญหาทางธรรมตั้งแต่พื้นฐานทั่วๆไปจนถึงเรื่องจิตตะภาวนาท่านก็ให้ความเมตตาตอบจดหมายสั่งสอนแนะนำเรื่อยมาขอยกตัวอย่าง ผู้ได้รับสื่อธรรมประเภทต่างๆของท่านมาแสดงบ้างดังนี้